พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามชื่อมัชชิมนิกายมัชิมะปัญ น, นาตเป็นสุดตันตะปิฎกพระไตรปิฎกเล่มสิบสามนี้ยังอยู่ในประเภทมัชชิมนิกายคือพระสูตรขนาดปานกลางไม่ยาวและไม่สั้นเกินไปได้กล่าวแล้วว่าสูตรขนาดกลางมีสามเล่มได้แก่เล่มสิบสองคือมัชิมนิายมุลปั น, นาต หมวดขนาดกลางหมวดห้าสิบที่เป็นตอนต้นหรือเป็นมูลเล่มสิบสามคือเล่มนี้มัชชิมะนิกายมัชชิมะ ป, ปัญ น, นาตหมวดขนาดกลางหมวดห้าสิบที่เป็นตอนกลางส่วนเล่มสิสคือมัชชิมะนิกายอุป ร, ริปปัญ น, นาตหมวดขนาดกลางหมวดห้าสิบที่เป็นตอนปลายเฉพาะเล่มนี้มีห้าสิบสูตรมีห้าวรักละสิบสูตร แต่มีที่สังเกตได้ง่ายคือเล่มนี้แบ่งวร์คเป็นเรื่องบุคคลทั้งสิ้นกล่าวคือวร์กที่หนึ่งชื่อขะหะปฏิวร์กว่าด้วยคเรืหะบร์ดีคือผู้ครองเรือนวร์กที่สองชื่อพิกขุวร์กว่าด้วยภิกษุวร์กที่สามชื่อปริพาชกวร์กว่าด้วยปริพาชกหรือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่งวร์กที่สี่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 พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่ามนุษย์เป็นผู้เสมือนรกชัดคือดูยากส่วนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ตื้นจริงคือเปิดเผย ด, ดูง่ายแล้วตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทที่มีอยู่ในโลกคือหนึ่งทำตัวเองให้เดือดร้อนประกอบหนึ่งเนืองในการทำตนเองให้เดือดร้อน 2. อํทำผู้อื่นให้เดือดร้อน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 พวกที่ไม่ทำทั้งตนทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนคือผู้ออกบวชประพฤติปรงมจร์ตั้งอยู่ในศีลสมาธิได้ฌานสามมีญาณอันทรรมอสวะให้สิ้นเป็นที่สุด